บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปแา่พูดถึงอวิชชาคือความไม่รู้ในสมาสติหมายความว่าการระลึกก็ระลึกไปในทางที่ผิดจะถามว่าทำไมจึงระลึกไปในทางที่ผิด ประตูกวิชาคือความรู้หรือความไม่รู้หรือความรู้ไม่จริงปิดบังเอาไว้ถ้าให้มองสิ่งทั้งหลายในฐานะที่เป็นตัวเป็นตนด้วยอำนาจของทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ความรู้สึกเหล่านี้บางครั้งก็ขยายรุนแรงออกไปแบ่งเป็นเราเป็นเขาที่ชัดเจนมีการเบียดเบียนเข่งฆ่าทำลายล้างกัน โดยไม่คำนึงถึงบาปุลคุณโทษอะไรนั้นก็แสดงให้เห็นถึงสกายาสิทธิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงธรรมะปฏิบัติในทางาศาสนาก็มุ่งจะให้ความรู้เหตุผลในระดับต่างๆแก่บุคคลทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดก็ยอมรับสิทธิในความเป็นเราเป็นเขาไม่ล่วงเกินกัน จนถึงก็ย้ายออกไปเป็นเรากับพวกเรามีความรู้สึกร่วมกันว่าแต่ละคนนั้นเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นการปฏิบัติการกระทรัำที่เป็นการเกื้อกูลต่อกันจนถึงเมื่อวิชาถูกกรจัดไปก็ปจะมองเห็นความจริงของชีวิตชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีทั้งเราทั้งเขาทั้งของเราของเขา เป็นกระบวนการตามธรรมชาติธรรมดาที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและภายนอกมาผสมกันยังมีสัสดส่วนการเกิดการเป็นการสมมติบัญญัติว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็มีอยู่อย่างที่พระวิจิราเทรีภิกษุณีได้กล่าวไว้ว่าเมื่อทัพพัสสัมภาระทั้งหลายมาประกอบกันการบัญญัติว่ารถว่าเรือน วาบ้านมันก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นแยกออกจากกันแล้วความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถมันก็มีไม่ได้การที่สมมติบัญญัติว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็เป็นสิ่งเดียวกันอาศัยการท่าอร ย, ยัตนะมาเกาะคุมกันอยู่การสมมติบัญญัติการเรียกร้องในฐานะ น, นั้นๆก็เกิดขึ้นแต่พอสิ่งเหล่านี้นแยกสลายออกไป ก็หาความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ได้เพราะจากการที่มีอวิชชาคือความไม่รู้หรือความรู้ไม่จริงปิดบังปัญญาจากสุขเอาไว้ก็ทำให้เกิดมองรูปร่างกายตนเองและกายบุคคลอื่นเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนักขัดเคือง จะเห็นว่าความรักความจังของคนเรานั้นเกิดที่กายตนและกายคนอื่นบางครั้งก็รูปถือที่ท่านเรียกว่าถือโดยนิมิตเอาทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งทั้งชิ้นทั้งอันทั้งลำทั้งต้นทั้งเรือนอะไรก็แล้วแต่ที่ครูปถือคนนั้นสวยรถนั้นสวยบ้านนั้นสวยผ้า น, นั้นสวยคือรูปถือออกไปเลยยีบนั้นหนึ่งก็แยกออกมาถือ เอากันแต่ละจุดว่าจุดนั้นสวยจุดนี้สวยเป็นตน้นแล้วก็อเกิดความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนพอเป็นตัวเป็นตนก็ดิ้นรนเพื่อแสวงหาสิ่งทงลายมาตอบสนองพอได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ไปยึดถือว่าเป็นของเรา ดินรุ่นต่อไปเพื่อจะได้สถานะต่างๆในสังคมโดยอำนาจของภวะดันธาก็ได้สถานะเป็นตำแหน่งเป็นชั้นเป็นยศก็ไปยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนูนตวัวการจริงก็สืบเนื่องมาจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนให้ยึดมีตัวมีตนให้ปรนปลือมีตัวมีตัวให้ตตตตใหแต่งตั้งมอบหมายธรรมะป ฏ, ฏิบัติสวดนี้ ในระดับของศีลธรรมจัญญานั้นที่จริงแล้วก็ให้ไม่ถึงก็ไปทำลายกิเลสระดับนั้นแต่ให้เข้าใจถึงความจริงของชีวิตในภาพ ร, มรวมๆก็คือชีวิตตนเองและบุคคลอื่นเป็นผู้ที่เกิดมาใส่โลกชกครั้งชุกคราวในโอกาสต่อไปก็ต้องแตกดับไป นการมองภาพรวมๆในแนวนี้ท่านสาธาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าเป็นการกระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมสังเวชเดี๋ยวนี้เราสวดบนธรรมวัตรเช้าให้พิจารณาว่ารูปรู ป, ปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาเป็ตนต้นคือมองเห็นว่ารูปเป็นของไม่เที่ยง เวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขารเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็มองในแง่ของความไม่ใช่ตัวเฉดดตนปรูารปางานตรารูปไม่ใช่ตัวเฉดดนเวทนานตาเวทราไม่ใช่ตัวเฉดดลก็มองไปดรื่ยจนมองรูปในแง่ของความเป็นทุกข์ คือสรุปว่าเป็นการมองถึงความจริงที่แท้จริงของรูปเป็นศาสนาสัญญาสังขารปัญญาณซึ่งประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตเมื่อชีวิตเป็นสิ่งที่รวมไว้ของสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาตัวชีวิตเองก็เลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาตามไปด้วยในเรื่องนี้เป็นการต่อสู้ต้านทานกระแสของ สำนวนมาลีวัศกะยาติทิฏฐิคือความเห็นเป็นเหตุเป็นตัวเป็นตนยึดถือว่าเอโสเมอตานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะการจะบรรเทาวิชาในจุดนี้จึงค่อนข้างทาได้ยากเพราะจิตใจของบุคคลเรานั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากตัณหามานาตทิฏฐิตัณหามานาทิฏฐิเหล่านี้ก็เป็นเจ้าเรือนเลกติดก็ยึด ลักษณะของอาการตัณหาอุปาทานก็เกิดเป็นพบหรือรู้สึกว่าตัวมีตัวเป็นขึ้นมาบางครั้งบางคาวก็ยึดติดในลักษณะที่เรียกว่าตกผลึกแก้ไขยากคลายได้ยากก็กลายเป็นกับหนดหมายร่างกายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนไม่แปรผันพอร่างกายเกิดเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์เกิดแตกลับไปก็เป็นทุกข์ แม้มองเห็นคนอื่นสัตว์อื่นตายก็ไม่น้อมเข้ามาหาตัวตัวความตายไปกลายใกล้ไปเกิดขึ้นแก่คนอันเป็นที่รักของตนก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามันแสดงเหตุว่ามันเกิดจากจิตที่ไปยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนหรมีตัวมีตนอยู่เพราะแนวคำสอนทั้งหลายที่ส่งแสดงื่อว่าแนวข้อปิญหาปัจเวกขณะที่มีการสวดสาธยายกัน วิธีอสอนอีกประการหนึ่งที่ทรงสอนในรูปของการนำมาสาธยายคือท่องบ่อยๆว่าบ่อยๆแล้วคิดตามไปเป็นการสวดพร้อมๆกันแต่เรากําหนดถึงบทสวดเหล่านั้นด้วยหูได้ยินเสียงสวดของตัวเองและเสียงสวดของบุคคลอื่นด้วยครั้งแรกสองครั้งสามครั้งหรืออาจจะเป็นเดือนเป็นปีอาจจะไม่ซึมซับอะไรเข้าไปเท่าไหร่ แต่จริงแล้วสะสมเป็นรูปของบารมีธรรมลดความเข้มข้นของวิชาให้จางลงไปบรรเทาลงไปจะมีความรักความชังความหวังในสิ่งต่างๆน้อยลงเพราะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วมันตกอยู่ในกดรรของความไม่เที่ยงเป็นทุกเปรีย น, น, นั้ต่างอาจารย่นสอนในสวดว่า รูปปางอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงอย่าดังตังอนิจ nah ังตังดูข้างรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกอย่างดูข <im> nice <im iros creating Eden> <im> ้างตังอนัตตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นไม่ใช่ตัวเชิดตนอย่าดานตตาตังเนตังมามนเโซมัสเมนะเมโซเมอยตารูปใดไม่ใช่ตัวเช่ดตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวเช่ดตนของเรา แล้วก็เปลี่ยนเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตเป็นการสวดบ่อยๆสวดซ้ำๆซักๆให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเพื่อบรรเทาอาวิชาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาตลงไปกพราะความทุกข์ความเดือดร้อ น, รนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของตอนนั้นถึงสังเกตถึงสังเกตว่ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่า ของเราหรือเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นตัวเป็นตนซึ่งเป็นที่มาของความรู้สึกว่าเราเป็นแล้วก็เป็นของเราพธรรมดาสิ่งของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนั้นที่จริงก็มีความพิบัติเสียหายไปเพราะโจรบ้างเพราะภัยอันตรายบ้างเพราะพกพวกเพื่อนผูงที่ไม่มีความจริงใจบ้าง มีการสูญเสียเป็นปกติธรรมดาทุกส่วนของโลกและอาจจะนับได้ว่าทุกวินาทีด้วยซ้ำไปแต่มเมื่อถามใจเราทำไมเราไม่เศร้าโศก เ, เ, เราไม่เสียใจเราไม่เสียใจเพราะสิ่งนั้นเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราคนทั้งหลายมีการเสื่อมยศถูกออกจากตำแหน่งถูกถอดถูกจองจำถูกจับกลุมคุมขังบางทีจากประธานาธิบดีมาติดคุก บางทีจากพระราชามานิราชจากบัลลังก์ถูกขับออกนอกประเทศบางทีเป็นเศรษฐีล้มละลายบางทีเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ตกต่ำลงไปถูกสังคมดูหมิ่นเยียะเย้ยใครถามว่าทำไมเราไม่เดือดร้อนเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นแก่เราเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นความรู้สึกว่าเราเป็นไม่ได้ไปเกี่ยวกับ กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าสิ่งเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นมาเกิดขึ้นแก่เราหรือเกิดขึ้นแก่คนที่เรารักเกิดขึ้นแก่สิ่งที่เรารักความโศกความรำไรรําพันธ์ความรู้ความเสียใจความคลั่งแค้นใจก็เกิดขึ้น แตถามมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะใจเราไปรู้สึกว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเราเลยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก่อนที่จะมาเป็นของเราสมมติว่าเกิดเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่เดือดร้อนหรือหลังจะเป็นของเราไปแล้วเราให้คนอื่นเราขายแก่คนอื่นเราแลกเปลี่ยนกับคนอื่นไปแล้วใจมันปล่อยวางความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเรา เช่นสมมติว่าเรามีรถเราขายรถไปแล้วรถก็ไปชนกันพังพังพินาศหมดเลยเราไม่เสียใจอะไรเรากลับดีใจว่าดีนะเราได้ขายไปก่อนถ้าชนตอนที่อยู่ในมือเราก็เสียหลายหลายหมื่นหลายแสนนั้นแสดงให้เห็นว่าพอใจปล่อยต่งตางๆมันก็เบาแต่เรื่กระบวนการธรรมะ ที่เป็นเหตุได้เกิดทุกข์มันสืบเนื่องมาจากประสาทสัมผัสแต่จริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวประสาทสัมผัสมันอยู่ที่เชื้อภายในใจของเราเราเราคือเรามีกิเลสอยู่ภายในใจเยรูปควงเถียงลมกลิ่นริมรถถูกต้องเย็นร้อนออนแข็งข้าวใจมันก็มีการกระทบกับสิ่งเหล่านัน้นก็เกิ ด, อกกดพอใจมันก็เกิดความอยากเกิดไม่พอใจมันเกิดความชัง ที่ท่านเรียกว่าอภิชาโทมมนนันไม้ิชาก็คือเพ่งเล็งโลภอยากได้อยากได้มาเพื่ออะไรอยากได้มาเป็นของเราอยากได้เพื่อเราได้เป็นแต่ทำไมยังเป็นเช่นนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนที่จะต้องได้เพิ่มภูนิสถานะจากที่ตัวตนเราเป็นตัวแล้วก็ปรนปรือตัวเองโดยวัตถุปัจจัยต่างๆข้างนอก เพราะ้าเป็นเช่นนั้นตัณหามราก็เกิดใจมันก็ถูกบังคับปรักสเสือกสายไปตามกระแสของตัณหาแม้เหตุการณ์เหล่านั้นจะผ่านไปแล้วแต่ว่าใจยังไปเกาะยึดอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเรากับความรู้สึกว่าเราเป็นหรือว่าได้เป็นเราจากนั้นไปตราบใดที่ยังยึดอยู่ที่เรียกว่ายังมีอุปาทานอยู่ใจก็จะเกาะติดอยู่กับสิ่งเหลนั้น ซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นท่านเรียกว่าเป็นทิ่ถูกปาฏฐานคือยึดติดตัวอำนาจของความเห็นที่ปักใจฝังใจเอาเองจนในขณะ น, นี้มีการตื่นตระหนกันมีการบูชาพระราหู ก, กันอะไรที่ดําๆมันก็ราคาแพงขึ้นแล้วเราเข้าใจว่าถ้าได้บูชาแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่บูชาแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องของอุปาทานที่สร้างขึ้นมา ปุจ้าทรงว่าทรงแสดงว่าเรื่องดีขนา ด, ดียามดีครูดีอยู่ที่การกระทำดีทำดีำดตอนเช้าตอนเช้าก็ดีทำดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็ดีทำดีตอนเย็นตอนเย็นก็ดีเพราะความดีนั้นเป็นหลักการสำคัญในเรื่องจะดีพิเศษยังไงอะไรเข้าอะไรอะไรแทรกอะไรอะไรทับอะไรก็ตามแต่ถ้าคนไม่ทำความดี ผล ค, คือความสุขความสงบก็ไม่เกิดขึ้นแก่เขาเราจะเห็นว่าในขณะที่เรารู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนเดือดร้อนเพราะเรื่องเราขูหรือไม่เราขูเนี่มีคนเป็นมากเลยเขาไม่เดือดร้อนอะไรแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องบูชาอะไรแล้วก็อยู่ก็ได้โดยปกติสุขนี่คือเราจะเห็นว่าเป็นกระแสะของอุปาทานที่ไปสร้างความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาไว้มาถามว่าอย่างนั้นถ้า ถ้ามันเป็นสากล ค, คือเป็นจริงๆทำไมจุดจีนสุดแขกสุดฝรั่งเราจึงไม่เดือดร้อนเราไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไรไปเพราะว่าเรายังไม่มีอุปาทฐาในตรงนั้นยังไม่ยึดติดในตรงนั้นเอาไว้ถ้ายึดติดมันก็ต้องทำวิธีมีจุดจีนสุดแขกสุดฝรั่งก็ว่ากันไปลักษณะทั้งหมดจึงกลายเป็นกระบวนการของกิเลสที่เริ่มมาจากเชื้อภายในใจ คืออวิจชาเพสปาร์โลกข้าประโกฏว่ารู้เห็นไม่ตามความจริงไปรู้เฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเกิดจากเรายึดเกิดจากเรายึดเกิดจากเรายึดความอยากมันจะออกมาในสามกระแสะใหญ่ๆคืออยากได้สิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเมื่อตนรู้สึกว่ามันดีให้เองสังเกตว่าจะอยากได้ครอบครองนั้นเมื่อต น, ต, นต้องรู้สึกว่าดีเสียก่อน รู้สึกว่ารูปสวยเสียงไปเราะ ก, กินดนหอมรสอร่อยสัมผัน่าจะต้องเสีก่อนจะเกิดความอยากได้ถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่อยากได้ยิงรู้สึกไม่ชอบไปแล้วยิ่งมากไม่อยากได้ใหญ่ถ้าเกิดต้องได้ขึ้นมาจะเกิดโทสะเป็นที่จะเกิดโลภะเพราะทั้งหมดจึงอยู่ที่ใจไปกําหนดตาวไปสร้างไปจินตนาการ เราไปปักใจฝังใจโดยในในสุดมันก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้ ย, ยั่งยืนและเราเองก็เที่ยงแท้ ย, ยั่งยืนเพราะปัญหาเหล่านี้ลองสังเกตว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกัสิ่งที่เป็นของเราหรือจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามที่รู้สึกว่าเป็นของเราหรือเกิดขึ้นก่ตัวเราเดือดร้อนความเปลี่ยนแปลงแปรผันนั้นที่จริงเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่เรายึดติดหลง หลงว่าเราจะอยู่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันสิ่งนั้นจะอยู่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันเพราะความดดความหนึ่งเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจะทุกข์ทั้งสองด้านจนบางครั้งบางคราวที่เรียกว่านอนตายตาไม่หลับแสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นห่วงของเราแสดงเป็นห่วงความเป็นเราแล้วครับเพราะเข้าใจว่าตัวตนนั้นเป็นของเที่ยงแท้ไม่ต้องตาย คนจะเดือดร้อนเพราะความแก่ความเจ็บความตายถามทำไมเดือดร้อนเพราะมีทิฐิมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนที่ยั่งยืนที่เสี่ยงแพ้ต่อต้านมีการไปเสกความแก่ความเจ็บความตายทั้งของคนทั้งของตนเองและของคนสัตว์ที่ตนรักแต่ในขณะเดียวกันพอความแก่ความเจ็บความตายการพลาๆเกิดขึ้นกบุคคลอื่น บางครั้งมีภูมิปัญญาสามารถชี้แจงอธิบายคนอื่นเกิดความรู้ความเข้าใจแต่งโครงกรกับชั้นขึ้นมาให้สติตักเตือนคนอื่นแต่ว่าเจอตอนข้าเองปรากฏว่ามันผงเข้าตาคือแกะไม่ออกตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าทิฏฐิคือความผิดเพราเป็นตัวเป็นตนตนั้นอย่างหนาแ น, น่นเมื่อเป็นชนนี้ใจแล้วก็ไปไขวยคว้าปรารถนา ที่จะปนปลือในส่วนของร่างกายไขว้คว้าสแสวงหาสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกที่นั่นกำหนดว่าที่ทใจไปกําหนดว่าน่าใคราน่าปรารถนาเอาไปใจก็ไขวยความมหาตัวเองที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นความเห็นที่วิปัสสาดคือพลัดเคลื่อนจากความจริงที่เป็นจริงเพราะใ้แง่ความเป็นจริงแล้วความสวยงามที่ว่านั้นไม่มีจริง เราโดยสรุปว่ารูปสวยไม่มีจริงเสียงไพเราะไม่มีจริงกลิ่นหอมไม่มีจริงรสอร่อยไม่มีจริงสัมผัสที่น่าจะต้องไม่มีอยู่จริงอารมณ์ที่น่าคล้ายน่าปรารถนาหน้าพอใจนั้นไม่มีอยู่จริงๆมันอยู่ที่ใจกำหนดคือความชอบใจความปักใจความฝังใจเอาท่านเองเป็นอุปท า, านที่ซ้อนๆๆอนกัอนอยู่ในเรื่องเดียวกัน แล้วกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ท่านเล่าว่าพัญญาแกงเหลี่ยงลืมใส่เกลือไปสามีตักดูก็รู้สึกว่าแกงมันจืดพัญญาก็เอื้อมไปข้างหลังปรากฏว่าแทนที่จะหยิบถูกเกลือมันหยิบถูกข้าวตาก ก็ใส่ลงไปในแกงเลียงก็คนๆก็คิดว่าเกลือละลายแล้วสามีปรตักก็รู้สึกว่าอร่อยขึ้นจนกินไปหมดถ้วยไปเจอเข้าวข้าวมันอยู่ที่ก้นคนถ้วยแกงทัญญาก็ขอโทษบอกที่หยิบแต่กินนึกว่าเกลือได้จริงมันเป็นข้าวตากสามีก็คลายอุปทานบอกนั่นนะสิทําไมรู้สึกว่ามันยังจืดจุ นั้นนี่ก่อนนานๆแก่รู้สึกว่าอร่อยแล้วแสดงจริงความเค็มไม่ได้เพิ่มแล้วก็ไม่ได้ลดอะไรแต่เพราะใจมีอุปาทานอยู่ในอนดีตว่าเกลือนั้นเค็มเพราะเมื่อใส่เกลือก็ต้องเค็มแม้จะไม่ใช่เกลือแต่อุปาทานว่าเกลือเลยมันเกิดเค็มตามไปได้วยอุปาทานลักษณะของจิตที่ปรุงคิดที่คิดปรุงกันปิดมา มันจึงเป็นการมองสิ่งทั้งหลายในลักษณะที่วิปลาสหรือคลัดเคลื่อนจากความจริงไปไม่รู้เห็นตามความจริงแล้วจะเดือดร้อนเพราะความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของกายตนและกายบุคคลเองเพราะว่าใจไปตั้งป้าเอาไว้อย่างหนึ่งแต่ร่างกายก็ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นร่างกายนั้นมันเป็นผลมาจากกิเลสแตใจเรานั้นมันก็ใจมีกิเลส ร่างกายเป็นกระบวนการเขาทำให้ชาตินี่คือขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเมื่อใจยังปฏิเสธใจไม่ยอมรับใจก็เดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะารการพลัดพรากสูญเสียเป็นต้นอย่างที่ทรงแสดงไว้เราจะเห็นว่าก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นชีวิตของใครในยุคใดสมัยใดก็ตามก็กลายเป็นความระลึกในทางที่ผิด มีความหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับเรื่องเราเนี่ยมีการเพียรพยายามที่จะปลนปลื้ตัวเองตอบสนองความต้องการของตัวเองในด้านกรรมคุณทั้งหลายไม่รู้จักบรรเทาราคะไม่บรรเทาโลภไม่บรรเทาโทสะในอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งอายุมากแทนที่ธรรมะจะเพิ่มกิเลสกับเพิ่มราคะอาจจะลดลงไปตามวัยแต่โลภโทสะแรงขึ้น ซึ่งหมายควา ม, มาอาวิชชามันก็เข้มข้นอยู่ภายในใจเป็นชีวิตที่มีปัญหาและสร้างปัญหาแก่ตนตลอดไปเป็นชีวิตอมทุกข์อมโรคเก็บกดอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดาแต่เพราะว่าความหนาแน่นของตัณหาอุปาทานที่มีฐานมาจากอวิชชา ไปปักใจลงไปในแนวอย่างนั้นเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงส่งสอนเน้นย้ำไว้ในที่ต่างๆเป็นมากเช่นในขณะที่ชาวโลกกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานเบิกบานบันเทิงใจกันอยู่นั้นก็ทรงตักเตือนให้ทราบว่าเธอตั้งหลายจมูกเพลิดเพลินรื่เริงอะไรกันอยู่ในมลโลกกษัตรินิวาตนี้ลุกโผร่อยู่ตลอดระยะเวลา เพอที่ถูกความมืดคุ้มห่อเอาไว้ทําไมจึงไม่สแสวงหาประที่เป็นเครื่องส่องทางชีวิตให้แก่ตนเองล่ะความมืดที่หุ่มออดจิตก็คืออวิชชาปิดบังปัญญาจากสดุดวงตาคือปัญญาเอาไว้ทําไมมองวิปลาสเคลื่อนไปจากความเป็นจริงบางครั้งก็ส่งสะท้อนภาพชีวิตของคนได้อยู่ในโลก แต่มีพื้นฐานภายในจิตใจแตกต่างกันฝ่ายหนึ่งอวิชามากฝ่ายหนึ่งอวิชาน้อยคือวิชามากมองโลกไปเดียวกันจุดเดียวกันมุมเดียวกันหรือแม้แต่ภาพเดียวกันแต่เป็นการมองจากฐานจิตที่แตกต่างกันทำให้คนเหล่านั้นอยู่ในโลกอย่างถูกขอคุ้มด้วยวิชาและถูก ลุกโพร่งด้วยปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยตรวจสอบจริงทั้งหลายจึงเกิดเป็นความรู้เห็นลำความเป็นจริงว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดูราชรสที่พวกคนเข่าคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ไ ม, ไม่คล่องอยู่เรื่องนี้มีกระแสของธรรมะประกฎอยู่ในที่ต่างๆเปน็นนันมาก โดยเพพาะวัดที่มีเมนมีงานศพมกีการจัดการศพมีกติธรรมขีดเขียนเอาไว้มีการเทศมีการอธิบายมีการสวดคือนุ่นแล้วแต่จุดประกายประชีพทำขึ้นภายในใจของคนเท่านั้นเพียงแต่ว่ า, บ า, าบางครั้งมากคามักก็ชาญฉินคือมองผ่านไป ไม่น้อมมาคิดปินิพพิจนาเจในปัจจุบันพัดคือตาลปัฏที่พระใช้ใจบางหน้าเวลาสุดนี่คำนี้แพร่หลายว่าไปไม่กลับหลับไปถตื่นฟืดไม่มีหนีไม่พ้นเป็นการแสดงถึงกติธรรมดาของชีวิตเราไปในงานสุพเราก็เจอบ่อยๆเพียงแต่ไม่ในน้อมนึกเข้ามาหาเราว่าแม้เราเองก็เป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ เคยประมาทยังไงก็ประมาทเองครังานศพแทนที่จะเกิดธรรมสังเวชสลดจิตน้อมชีวิตผู้ตายมาสู่ตนน้อมตนมาชีวิตพูดตายก็กลายก็ตายกลายเป็นตายก็ตายกันไปคนที่ยังอยู่ก็สนุกสนานเพลิดเพลินกันไปทำให้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาททำให้ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทเพราะถูกอวิชชาคุ้มพอเอาไว้ นั้นแนวธรรมะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัจจชีวิตตรงนี้ในคาถาที่เรียกว่าบางสกุลตายก็อตอกย้ำให้เข้าใจว่าชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมาห ว, หวังหรอกว่าจีรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอปัตวิงญาณิเสตติจะล้มลงเหนือแผ่นดิน จะดูเปตวิญญาณโนพวิญญาณออกจากร่างแล้วในรัถังว่ากลิงกระรังก็เหมือนท่อนไม้ที่หาสารแก่นสารอะไรไม่ได้เรล่านี้เป็นประกายของปัญญาที่ทรงสอนทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆถ้าสอนลึกๆอย่างนี้จะมีรูปธรรมเข้าช่วยเหลือมันย่าคาถาที่กล่าวไวในตอนต้นมันก็มีคนป่วยให้ดู ต้องรอการแตกดับคาถาบางอย่างเช่นคาถาที่พระใช้กล่าวเวลาบางสกุลว่า น, นิจาวตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปดวยธ ร, รมโนโมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชจริติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่าไร่ก็ทานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นกระบวนการของการเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ใจเราประเดือดร้อนที่สิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระนั้นก็ตอบย้ำให้เกิดสนักว่าเตสองวูปสมโมสุขโขการทําจิตให้สงบระงับในสัตว์ตในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจะได้จะเป็นความสุขนี่เป็นการจุดประกายของปัญญาจุดประกายของวิชาเพื่อลดความรุนแรงของอวิชชาให้บุคคลสามารถมีสติลึกรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง พระติเป็นธรรมะเครื่องปลุกให้บุคคลตื่นขึ้นในดลสติเป็นธรรมะที่ต้องใช้ในกรณีทั้งหๆเมื่อสติได้ถูกปรับทิศทางให้กลายเป็นความระลึกในทางที่ชอบก็จะหาประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจได้ตามสมควรแก่พลานุภาพแห่งสติที่บุคคลสร้างให้บังเกิดขึ้น แต่อนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทมความสงบสุขต่อไป